บุกทูเจ็ดสิบห้าเด็บเพื่ไยดูเหตุผลบางประการก่รนหน้าเราจประดมบกติทีทำไมคุณไม่มาคะมิเรียนดูกราวตดเลยดูอากาศแย่มาก ว่าตาบวรณาหมาะสมเลดูดีฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มากว่าตาบวรณหมาะสมเลดูกะบัตรที่นี่น่ารดันเลดูทำไมเขาถึงไม่มาคะอ้ายนายนึกวาจะ์เลดูเขาไม่ได้รับเชิญอายนี่อาววันนี้จเลยดู เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญไอ้เนี่ยอาวันินเฉลดกันก็ไอ้เนีราวดันเลดทำไมคุณไม่มาคะมีรียนดุกราวด์เลดดิฉันไม่มีเวลานาวดาีรกันเลดดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา นาวัดตีริกาเลดูกันค่ะเนี่ยนราทำไมคุณไม่อยู่ต่อละคะมื่อเห็นเดดิฉันยังต้องทํางานคะ่ะนาโกยิงก้ปานิวันดีดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทํางานคะ่ะนาโกยิงก้ปาิวันดีกันคะ่ะเนี่ยนคนนั ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะมีออะเองอัดพดเห็นดุกเวลี่พอตุนารุดิฉันเหนื่อยค่ะนี่หนู อ, อลิซิป่ยานุดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะนี่หนูอลิซิปอยานุขอปฏิเนื้อเวลีว่พอตุนารุทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะมีเรื่องอัดพอดีเห็นดุกเวลี่พอตุนาร ดึกแล้วค่ะ ippadike อ่านเสร็จไหมพยินดีดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะ ippadike อ่านเสร็จไหมพยินดีกันนะค่ะในนีเวลีพูดถึนกนกรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด